อตีตักขันธาที่กรถาว่าด้วยอดีตขันเป็นต้นหนึ่งนัสตัสสาธนะว่าด้วยการไม่อ้างพระสูตร297ราบประวาทีอดีตเป็นขันใช่ไหมสกวาทีใช่ประวาทีอดีตมีอยู่ใช่ไหมสกวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นประวาทีอดีตเป็นอายตนะใช่ไหม ักวาีใช่ประวาทีอดีตมีอยู่ใช่ไหมสกวาธีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นประวาทีอดีตเป็นธาติใช่ไหมสกวาทีใช่ประวาทีอดีตมีอยู่ใช่ไหมสกวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นประวาทีอดีตเป็นขันเป็นธาติเป็นอายตนะใช่ไหมสกวาทีใช่ประวาที อดีตมีอย be be ู่ใช่ไหมสกวาธีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นปรวาธีอนาคตเป็นขันใช่ไหมสกวาทีใช่ปรวาธีอนาคตมีอยู่ใช่ไหมสกวาธีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นปรวาธีอนาคตเป็นอายตนะใช่ไหมสกวาทีใช่ปรวาธีอนาคตมีอยู่ใช่ไหมสกวาธี ไม่ควรกล่าวอย่างนั้นประวาทีอนาคตเป็นธาตุใช่ไหมสกวาทีใช่ประวาทีอนาคตมีอยู่ใช่ไหมสกวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นประวาทีอนาคตเป็นขันเป็นธาตุเป็นอายตนะใช่ไหมสกวาทีใช่ประวาทีอนาคตมีอยู่ใช่ไหมสกวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น ปรวาที Campus ปัจจุบันเป็นขันปัจจุบันมีอยู่ใช่ไหมสกวาทีใช่ปรวาทีอดีตเป็นขันอดีตมีอยู่ใช่ไหมสกวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นปรวาทีปัจจุบันเป็นนายตนะปัจจุบันมีอยู่ใช่ไหมสกวาทีใช่ปรวาทีอดีตเป็นนายตนะอดีตมีอยู่ใช่ไหมสกวาที ไม่ควรกล่าวอย่างนั้นปรวาทีปัจจุบันเป็นธาตุปัจจุบันมีอยู่ใช่ไหมสกวาทีใช่ปราวาทีอดีตเป็นธาตุอดีตมีอยู่ใช่ไหมสกวาทีไม่ควรกล่ test, าวอย่างนั้นปรวาทีปัจจุบันเป็นขันเป็นธาตุเป็นาปนายตนะปัจจุบันมีอยู่ใช่ <S <S 네ไหมสกวาทีใช่ปรวาทีอดีตเป็นขันเป็นธาตุเป็นนายตนะ อดีตมีอยู่ใช่ไหมสกวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นปรวาทีปัจจุบันเป็นขันปัจจุบันมีอยู่ใช่ไหมสกวาทีใช่ปรวาทีอนาคตเป็นขันอนาคตมีอยู่ใช่ไหมสกวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นปรวาทีปัจจุบันเป็นอายตนะปัจจุบันมีอยู่ใช่ไหมสกวาทีใช่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 ปัจจุบันเป็นขนันเป็นท่าเป็นอายทะนะปัจจ e ุบันมีอยู่ใช่ไหมสกวาทีใช่ปรวาทีอนาคตเป็นขนันเป็นท่าเป็นนายตนะอนาคตมีอยู่ใช่ let, spe spe ไหมสกวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นปรวาทีอดีตเป็นขนันอดีตไม่มีใช่ไหมปัศกวาทีใช่ ปรวาทีปัจจุบันเป็นขันปัจจุบันไม่มีใช่ไหมสกวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นปรวาทีอดีตเป็นนายฐานะอดีตไม่มีใช่ไหมสกวาทีใช่ปรวาทีปัจจุบันเป็นนายฐานะปัจจุบันไม่มีใช่ไหมสกวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นปรวาทีอดีตเป็นธาตุอดีตไม่มีใช่ไหมสกวาทีใช่ ประวาทีปัจจุบันเป็นธาตุ addition, ปัจจุบันไม่มีใช่ไหมสกวา envelope, ทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นประวาทีอดีตเป็นขันเป็นธาตุเป็นอายตนะอดีตไม่มีใช่ไหมสกวา Música. ทีใช่ประวาทีปัจจุบันเป็นขันเป็นธาตุเป็นอายตนะปัจจุบันไม่มีใช่ไหมสกวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น ปรวาทีอนาคตเป็นขันอนาคตไม่มีม adi, ใช่ไหมสกวาทีใช่ปรวาทีปัจจุบันเป็นขันปัจจุบันไม่มีใช่ไหมสกวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นปรวาทีอนาคตปาเป็นอายตนะอนาคตเป็นธาตุอนาคตเป็นขันเป็นธาตุเป็นอยายตนะอนาคตไม่มีใช่ไหมสกวาทีใช่ปรวาที ปัจจุบันเป็นขันเป็นธาตุเป็นนายตนะปัจจุบันไม่มีใช่ไหมสกวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นประวาทีรูปที่เป็นอดีตเป็นขันใช่ไหมสกวาทีใช่ประวาทีรูปที่เป็นอดีตมีอยู่ใช่ไหมสกวาธีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นประวาทีรูปที่เป็นอดีตเป็นอายตนะใช่ไหมสกวาทีใช่ BE> ปรวาทีรูปที่เป็นอดีตมีอยู่ใช่ไหมสกวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นปรวาทีรูปที่เป็นอดีตเป็นธาติใช่ไหมสกวาทีใช่ปรวาทีรูปที่เป็นอดีตมีอยู่ใช่ไหมสกวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นปรวาทีรูปที่เป็นอดีตเป็นขันเป็นธาติเป็นอายตนะใช่ไหมสกวาที ใช่ปรวาทีรูปที่เป็นอดีตมีอยู่ใช่ไหมสกวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นปรวาทีรูปที่เป็นอนาคตเป็นขันใช่ไหมสกวาทีใช่ปรวาทีรูปที่เป็นอนาคตมีอยู่ใช่ไหมสกวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นปรวาทีรูปที่เป็นอนาคตเป็นอายตนะรูปที่เป็นอนาคตเป็นธาต รูปท pe pe pe pe ี iy, athi, pe ot, iu, ่เป pe pe pe ็นอนาคตเป็นขันเป็นท่าเป็นนายตนะใช่ไหมสกวาทีใช่ปรวาทีรูปที่เป็นอนาคตมีอยู่ใช่ไหมสกวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นปรวาทีรูปที่เป็นปัจจุบันเป็นขันรูปที่เป็นปัจจุบันมีอยู่ใช่ไหมสกวาทีใช่ปรวาทีรูปที่เป็นอดีตเป็นขัน รูปที่เป็นอดีตมีอยู่ใช่ไหมสกวาธีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นปรวาทีรูปที่เป็นปัจจุบันเป็นอายตนะรูปที่เป็นปัจจุบันเป็นธาตุรูปที่เป็นปัจจุบันเป็นขันเป็นธาตุเป็นอายตนะรูปที่เป็นปัจจุบันมีอยู่ใช่ไหมสกวาธีใช่ปรวาธีรูปที่เป็นอดีตเป็นขันเป็นธาตุเป็นอายตนะ รูปที่เป็นอดีตมีอยู่ใช่ไหมสกวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นป ies, ราวาท activity, ีรูปที่เป็นปัจจุบันเป็นขันรูปที่เป็นปัจจุบันมีอยู่ใช่ไหมสกวาทีใช่ปราวาทีรูปที่เป็นอนาคตเป็นขันรูปที่เป็นอนาคตมีอยู่ใช่ไหมสกวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นปราวาที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 ปรวาทีรูปที่เป็นอดีตเป็นขันรูปที่เป็นอดีตไม่มีใช่ไหมสกวาทีใช่ปรวาทีรูปที่เป็นปัจจุบันเป็นขันรูปที่เป็นปัจจุบันไม่มีใช่ไหมสกวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นปรวาทีรูปที่เป็นอดีตเป็นนายตนะรูปที่เป็นอดีตเป็นธาตุรูปที่เป็นอดีตเป็นขัน เป็นธาตุเป็นอายตนะรูปที่เป็นอดีตไม่มีใช่ไหมสกวาทีใช่ประวาทีรูปที่เป็นปัจจุบันเป็นขันเป็นธาตุเป็นอายตนะรูปที่เป็นปัจจุบันไม่มีใช่ไหมสกวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นประวาทีรูปที่เป็นอนาคตเป็นขันรูปที่เป็นอนาคตไม่มีใช่ไหมสกวาทีใช่ ปรวาทีรูปที่เป็นปัจจุบันเป็นขันรูปที่เป็นปัจจุบันไม่มีใช่ไหมสกวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นปรวาทีรูปที่เป็นอนาคตเป็นนายตนะรูปที่เป็นอนาคตเป็นทาารูปที่เป็นอนาคตเป็นขันเป็นทาาเป็นนายัตนะรูปที่เป็นอนาคตไม่มีใช่ไหมสกวาทีใช่ปรวาที รูปที่เป็นปัจจุบันเป็นขันเป็นทาาเป็นอายตนะรูปที่เป็นปัจจุบันไม่มีใช่ไหมสกวาที query, ไม่ควรกล่าวอย่างนั้นปรวาทีเวทนาที่เป็นอดีตสัญญาที่เป <abl diamond S 1> <rs> ็นอดีตสังขารที่เป็นอดีตวิญญาณที่เป็นอดีตเป็นขันใช่ไหมสกวาทีใช่ปรวาทีวิญญาณที่เป็นอดีตมีอยู่ใช่ไหม สกวาธีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นปรวาทีวิญญาณที่เป็นอดีตเป็นอายตนะวิญญาณที่เป็นอดีตเป็นธาตวิญญาณที่เป็นอดีตเป็นขันเป็นธาตเป็นอายตนะใช่ไหมสกวาธีใช่ปรวาทีวิญญาณที่เป็นอดีตมีอยู่ใช่ไหมสกวาธีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นปรวาทีวิญญาณที่เป็นอนาคตเป็นขันใช่ไหม สกวาีใช่ปรวาธีวิญญาณที่เป็นอนาคตมีอยู่ใช่ไหมสกวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นปรวาธีวิญญาณที่เป็นอนาคตเป็นอายตนะวิญญาณที่เป็นอนาคตเป็นธาตุวิญญาณที่เป็นอนาคตเป็นขันเป็นธาตุเป็นอายตนะใช่ไหมสกวาธีใช่ปรวาทีวิญญาณที่เป็นอนาคตมีอยู่ใช่ไหม สกวาธีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นปราวาทีวิญญาณที่เป็นปัจจุบันเป็นขันวิญญาณที่เป็นปัจจุบันมีอยู่ใช่ไหมักวาธีใช่ปราวาธีวิญญาณที่เป็นอดีตเป็นขันวิญญาณท ham, ี่เป็นอดีตมีอยู่ใช่ไหมักวาธีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นปราว <titles. S 2> าทีวิญญาณที่เป็นป <MARK> <berly> ัจจุบันเป็นอายตนะวิญญาณที่เป็นปัจจุบันเป็นธาต วิญญาณที่เป็นปัจจุบันเป็นขันเป็นธาตุเป็นนายตนะวิญญาณที่เป็นปัจจุบันมีอยู่ใช่ไหมสกวาธีใช่ปราวาทีวิญญาณที่เป็นอดีตเป็นขันเป็นธาตุเป็นอายตนะวิญญาณที่เป็นอดีตมีอยู่ใช่ไหมสกวาธีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นปราวาทีวิญญาณที่เป็นปัจจุบันเป็นขัน วิญญาณที recibir, ่เ <foundation> ป right. ็น <foundation> ป <collection> right? ัจ <foundation> จ <right>? ุบ <foundation> well, ัน <foundation> มีอยู่ใช่ไหมสกวาธีใช่ปรวาธีวิญญาณที่เป็นอนาคตเป็นขันวิญญาณที่เป็นอนาคตมีอยู่ใช่ไหมสกวาธีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นปรวาธีวิญญาณที่เป็นปัจจุบันเป็นอายตนะวิญญาณที่เป็นปัจจุบันเป็นธาตุวิญญาณที่เป็นปัจจุบันเป็นขันเป็นธาตุเป็นอายตนะ วิญญาณที่เป็นปัจจุบันมีอยู่ใช่ไหมสกวาธีใช่ปรวาทีวิญญาณที่เป็นอนาคตเป็นขันเป็นธาตุเป็นอายตนะวิญญาณที่เป็นอนาคตมีอยู่ใช่ไหมสกวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นปรวาทีวิญญาณที่เป็นอดีตเป็นขันวิญญาณที่เป็นอดีตไม่มีใช่ไหมสกวาทีใช่ ประวาทีวิญญาณที่เป็นปัจจุบันเป็นขันวิญญาณที่เป็นปัจจุบันไม่มีใช่ไหมสกวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นประวาทีวิญญาณที่เป็นอดีตเป็นอายตนะวิญญาณที่เป็นอดีตเป็นท่าวิญญาณที่เป็นอดีตเป็นขันเป็นท่าเป็นอายตนะวิญญาณที่เป็นอดีตไม่มีใช่ไหมสกวาทีใช่ ปรวาทีว si ิญญาณที่เป็นปัจจุบันเป็นขันเป็นธาตุเป็นอายตนะวิญญาณที่เป็นปัจจุบันไม่มีใช่ไหมสกวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นปรวาทีวิญญาณที่เป็นอนาคตเป็นขันวิญญาณที่เป็นอนาคตไม่มีใช่ไหมสกวาทีใช่ปรวาทีวิญญาณที่เป็นปัจจุบันเป็นขันวิญญาณที่เป็นปัจจุบันไม่มีใช่ไหม สกวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นปรวาทีวิญญาณที่เป็นอนาคตเป็นอายตนะวิญญาณที่เป็นอนาคตเป็นธาตวิญญาณที่เป็นอนาคตเป็นขันเป็นธาตเป็นอายตนะวิญญาณที่เป็นอนาคตไม่มีใช่ไหมสกวาทีใช่ปรวาทีวิญญาณที่เป็นปัจจุบันเป็นขันเป็นธาตเป็นอายตนะ วิญญาณที่เป็นปัจจุบันไม่มีใช่ไหมสกวาธีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสองสุตสาธนะว่าด้วยการอ้างพระสูตร298กิ ส, สกวาทีท่านไม่ ย, ยอมรับว่าขันทาาอายตนะทั้งที่เป็นอดีตและอนาคตเหล่านี้ไม่มีใช่ไหมปรวาธีใช่สกวาธี พระสูตรที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าภิกษุทั้งหลายหลักการสามประการนี้คือหนึ่งหลักภาษาสองหลักการตั้งชื่อสหลักการบัญญัติไม่ถูกสมณพราหมณ์ผู้รู้คัดค้านมีอยู่จริงมิใช่หรือประวาทีใช่สกวาทีดังนั้นท่านจึงไม่ควรยอมรับว่าขันธาตุอายตนะ ทั้งที่เป็นอดีตและอนาคตเหล่านี้ไม่มีปรวาทีขันธาต์อายตนะทั้งที่เป็นอดีตและอนาคตเหล่านี้ไม่มีใช่ไหมสกวาทีใช่ปรวาทีพระสูตรที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าภิกษุทั้งหลายรูปทั้งหมดทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันนี้เรียกว่ารูปขันเวทนา สัญญาสังขารวิญญาณทั้งหมดทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันนี้เรียกว่าวิญญาณขันมีอยู่จริงไม่ใช่หรือสกวาทีใช่ปรวาทีดังนั้นท่านจึงไม่ควรยอมรับว่าขันธาต์อายตนะทั้งที่เป็นอดีตและอนาคตเหล่านี้ไม่มีอยู่อตีตักขันธาทิกถา จบ 7. เอกชะมะธัธยติกถาว่าด้วยบางอย่างมีอยู่หนึ่งอติตาที่เอกชะกะถาว่าด้วยสภาวธรรมบางอย่างที่เป็นอดีตเป็นต้น299สกสกวาทีสภาวธรรมที่เป็นอดีตมีอยู่ใช่ไหมปรวาทีสภาวธรรมที่เป็นอดีตบางอย่างมีอยู่บางอย่างไม่มีสกวาที สภาวะธรรมที ils, ama, ่เป็นอดีตบางอย่างดับไปแล้วบางอย่างยังไม่ดับไปบางอย่างหายไปแล้วบางอย่างยังไม่หายไปบางอย่างสูญไปแล้วบางอย่างยังไม่สูญไปบางอย่างดับสูญไปแล้วบางอย่างยังไม่ดับสูญไปใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีสภาวะธรรมที่เป็นอดีตบางอย่างมีอยู่บางอย่างไม่มีใช่ไหมปรวาทีใช่ สักาวาทีสภาวธรรมที่เป็นอดีตที่ยังไม่ให้ผลบางเหล่ามีอยู่บางเหล่าไม่มีใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสักาวาทีสภาวธรรมที่เป็นอดีตบางอย่างมีอยู่บางอย่างไม่มีใช่ไหมปรวาทีใช่สักาวาทีสภาวธรรมที่เป็นอดีตที่ให้ผลแล้วบางเหล่ามีอยู่บางเหล่าไม่มีใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น สกวาทีสภาวธรรมที่เป็นอดีตบางอย่างมีอยู่บางอย่างไม่มีใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาธีสภาวธรรมที่เป็นอดีตที่ไม่มีวิบากบางเหล่ามีอยู่บางเหล่าไม่มีใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาธีสภาวธรรมที่เป็นอดีตบางอย่างมีอยู่บางอย่างไม่มีใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาธี สภาวธรรมอะไรมีอยู่สภาวธรรมอะไรไม่มีอยู่ปรวาทีสภาวธรรมที่เป็นอดีตที่ยังไม่ให้ผลเหล่านั้นมีอยู่สภาวธรรมที่เป็นอดีตที่ให้ผลแล้วเหล่านั้นไม่มีอยู่สกวาทีสภาวธรรมที่เป็นอดีตที่ยังไม่ให้ผลเหล่านั้นมีอยู่ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีสภาวธรรมที่เป็นอดีตที่ให้ผลแล้วเหล่านั้นมีอยู่ใช่ไหมปรวาที ไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาธีสภาวธรรมที่เป็นอดีตที่ยังไม่ให้ผลเหล่านั้นมีอยู่ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาธีสภาวธรรมที่เป็นอดีตที่ไม่มีผลเหล่านั้นมีอยู่ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาถีสภาวธรรมที่เป็นอดีตที่ให้ผลแล้วเหล่านั้นไม่มีใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาธี สภาวธรรมที sea, ite, ่เป <in ancient> <ity> right. anyway ็นอดีตที่ยังไม่ให้ผลเหล่านั้นไม่มีใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสักวาทีสภาวธรรมที่เป็นอดีตที่ให้ผลแล้วเหล่านั้นไม่มีใช่ไหมปรวาทีใช่สักวาทีสภาวธรรมที่เป็นอดีตที่ไม่มีผลเหล่านั้นไม่มีใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น สกวาธีสภาวธรรมที่เป็นอดีตที่ยังไม่ให้ผลเหล่านั้นมีอยู่ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาธีสภาวธรรมที่เป็นอดีตที่ยังไม่ให้ผลดับไปแล้วไม่ใช่หรือปรวาทีใช่สกวาทีหากสภาวธรรมที่เป็นอดีตที่ยังไม่ให้ผลดับไปแล้วท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าสภาวธรรมที่เป็นอดีตที่ยังไม่ให้ผลดับไปแล้วเหล่านั้นมีอยู่ สกวาธีสภาวธรรมที่เป็นอดีตที่ยังไม่ให้ผลดับไปแล้วเหล่านั้นมีอยู่ใช่ไหมประวาทิใช่สกวาธีสภาวธรรมที่เป็นอดีตที่ให้ผลดับไปแล้วเหล่านั้นมีอยู่ใช่ไหมประวาทิไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาธีสภาวธรรมที่เป็นอดีตที่ยังไม่ให้ผลดับไปแล้วเหล่านั้นมีอยู่ใช่ไหมประวาทิใช่ สกワทีสภาวธรรมที่เป็นอดีตที่ไม่มีผลดับไปแล้วเหล่านั้นมีอยู่ใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีสภาวธรรมที่เป็นอดีตที่ให้ผลดับไปแล้วเหล่านั้นไม่มีใช่ไหมประวาทีใช่สกวาทีสภาวธรรมที่เป็นอดีตที่ยังไม่ให้ผลดับไปแล้วเหล่านั้นไม่มีใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาที สภาวธรรมที่เป็นอดีตที่ให้ผลดับไปแล้วเหล่านี้นั้นไม่มีใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีสภาวธรรมที่เป็นอดีตที่ไม่มีผลดับไปแล้วเหล่านั้นไม่มีใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีสภาวธรรมที่เป็นอดีตที่ยังไม่ให้ผลดับไปแล้วเห ล, ล่านั้นมีอยู่ใช่ไหมปรวาทีใช่ สกาวาทีสภาวธรรมที่เป็นอดีตที่ให้ผลดับไปแล้วเหล่านั้นไม่มีใช่ไหมปรวาที ie, ใช่สักาวาทีสภาวธรรมที่เป็นอดีตส่วนหนึ่งให้ผลแล้วอีกส่วนหนึ่งยังไม่ให้ผลดับไปแล้วเหล่านั้น บ, า ง, า, นนบางเหล่ามีอยู่บางเหล่าไม่มีใช่ไหมปรวาที ie, ไม่ควรกล่าวอย่างนั้นปรวาที gasoline. ท่านไม่ยอมรับว่าสภาวธรรมที่เป็นอดีตที่ยังไม่ให้ผลเหล่านั้นมีอยู่ ใช่ไหมสกวาทีใช่ปรวาทีสภาวธรรมที่เป็นอดีตที่ยังไม่ให้ผลก็จะให้ผลมิใช่หรือสกวาทีใช่ปรวาทีหากสภาวธรรมที่เป็นอดีตที่ยังไม่ให้ผลก็จะให้ผลดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าสภาวธรรมที่เป็นอดีตที่ยังไม่ให้ผลเหล่านั้นมีอยู่สกวาที เพราะท่านเข้าใจว่าสภาวธรรมที่เป็นอดีตที่ยังไม่ให้ผลจากให้ผลจึงยอมรับว่าสภาวธรรมเหล่านั้นมีอยู่ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีเพราะท่านเข้าใจว่าสภาวธรรมที่เป็นอดีตที่ยังไม่ให้ผลจากให้ผลจึงยอมรับว่าสภาวธรรมเหล่านั้นเป็นปัจจุบันใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาที เพราะท่านเข้าใจว่าสภาวธรรมที่เป็นอดีตที่ยังไม่ให้ผลจากให้ผลจึงยอมรับว่าสภาวธรรมเหล่านั้นเป็นปัจจุบันใช่ไหมประวาทีใช่สกวาทีเพราะท่านเข้าใจว่าสภาวธรรมที่เป็นปัจจุบันจักดับจึงยอมรับว่าสภาวธรรมเหล่านั้นไม่มีใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น 2. อนาคตาที่เอกัจฉกถาว่าด้วยสภาวธรรมบางอย่างที่เป็นอนาคตเป็นต้น300สกวาทีสภาวธรรมที่เป็นอนาคตมีอยู่ใช่ไหมประวาทีบางอย่างมีอยู่บางอย่างไม่มีสกวาทีสภาวธรรมที่เป็นอนาคตบางอย่างเกิดบางอย่างไม่เกิดบางอย่างเกิดอย่างดีบางอย่างไม่เกิดอย่างดีบางอย่างบังเกิดบางอย่างไม่บังเกิด บางอย่างปรากฏบางอย่างไม่ปรากฏใช่ไหมประวัี่ไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกาวาทีสภาวธรรมที่เป็นอนาคตบางอย่างมีอยู่บางอย่างไม่มีใช่ไหมประวาทีใช่สกาวาทีสภาวธรรมที่เป็นอนาคตซึ่งจะเกิดขึ้นบางเหล่ามีอยู่บางเหล่าไม่มีใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น สกวาธี OSE: สภาวธรรมที่เป็นอนาคต ima, บางอย่างมีอยู่บางอย่างไม่มีใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาธีสภาวธรรมที่เป็นอนาคตซึ่งจักไม่เกิดขึ้นบางเหล่ามีอยู่บางเหล่าไม่มีใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาธีสภาวธรรมที่เป็นอนาคตบางอย่างมีอยู่บางอย่างไม่มีใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาธี สภาวธรรมอะไรมีอย <unlucky> ู่สภาวธรรมอะไรไม่มีปรวาทีสภาวธรรมที่เป็นอนาคตซึ่งจะเกิดขึ้นเหล่านั้นมีอยู่สภาวธรรมที่เป็นอนาคตที่จักไม่เกิดขึ้นเหล่านั้นไม่มีสกวาทีสภาวธรรมที่เป็นอนาคตซึ่งจกเกิดขึ้นเหล่านั้นมีอยู่ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีสภาวธรรมที่เป็นอนาคตซึ่งจักไม่เกิดขึ้นเหล่านั้นมีอยู่ใช่ไหม ปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีสภาวธรรมที่เป็นอนาคตตึงจะไม่เกิดขึ้นเหล่านั้นไม่มีใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีสภาวธรรมที่เป็นอนาคตตึงจะเกิดขึ้นเหล่านั้นไม่มีใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีสภาวธรรมที่เป็นอนาคตตึงจะเกิดขึ้นเหล่านั้นมีอยู่ใช่ไหมปรวาทีใช่ สกวาธีสภาวธรรมที่เป็นอนาคตซึ่งจะเกิดขึ้นยังไม่เกิดใช่ไหมปรวาที ela. ใช่สกวาธีหากสภาวธรรมที่เป็นอนาคตซึ่งจะเกิดขึ้นยังไม่เกิดท่านก็ <Rock> ไม่ควรยอมรับว่าสภาวธรรมที่เป็นอนาคตซึ่งจะเกิดขึ้นเหล่านั้นมีอยู่สกวาธีสภาวธรรมที่เป็นอนาคตซึ่งจะเกิดขึ้นแต่ยังไม่เกิดเหล่านั้นมีอยู่ใช่ไหมปรวาที ใช่สกวาทีสภาวธรรมที่เป็นอนาคตซึ่งจักไม่เกิดขึ้นและยังไม่เกิดเหล่านั้นมีอยู่ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีสภาวธรรมที่เป็นอนาคตซึ่งจกไม่เกิดขึ้นและยังไม่เกิดเหล่านั้นไม่มีใช่ไหมปรวาทีใช่ สกวาธีสภาวธรรมที่เป็นอนาคตซึ่งจะเกิดขึ้นแต่ยังไม่เกิดเหล่านั้นไม่มีใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นปรวาทีท่านไม่ยอมรับว่าสภาวธรรมที่เป็นอนาคตซึ่งจะเกิดขึ้นเหล่านั้นมีอยู่ใช่ไหมสกวาทีใช่ปรวาทีสภาวธรรมที่เป็นอนาคตซึ่งจะเกิดขึ้นจะเกิดขึ้นมิใช่หรือสกวาธีใช่ ประวัี่หากสภาวธรรมที่เป็นอนาคตซึ่งจะเกิดขึ้นจะเกิดขึ้นดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าสภาวธรรมที่เป็นอนาคตซึ่งจะเกิดขึ้นกเหล่านั้นมีอยู่สกวาทีเพราะท่านเข้าใจว่าสภาวธร ร, ท <ำ S 1> รมที่เป็นอนาคตซึ่งจะเกิดขึ้นจะเกิดขึ้นจึงยอมรับว่าสภาวธรรมที่เป็นอนาคตซึ่งจะเกิดขึ้นแน่นอนมีอยู่ใช่ไหม ปรวาทีใช่สกวาทีเพราะท่านเข้าใจว่าส ult, suite. ภาวธรรมที่เป็นอนาคตซึ่งจะเกิดขึ้นจะเกิดขึ้นจึงยอมรับว่าสภาวธรรมที่เป็นอนาคตซึ่งจะเกิดขึ้นแน่นอนเป็นปัจจุบันใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีเพราะท่านเข้าใจว่าสภาวธรรมที่เป็นอนาคตซึ่งจะเกิดขึ้นจะเกิดขึ้น จึงยอมรับว่าสภาวธรรมที่เป็นอนาคตซึงจะเกิดขึ้นแน่นอนเป็นปัจจุบันใช่ไหมประวาทีใช่สกาวาทีเพราะท่านเข้าใจว่าสภาวธรรมที่เป็นปัจจุบันจักดับจึงยอมรับว่าสภาวธรรมที่เป็นปัจจุบันเหล่านั้นไม่มีใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นเอกฉมัตถิติกถา จบ so